2. ประวัติวาน 3. อุปาธนิโรธวาน 1. ปัจจุปันนาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 128. อย 28, อนุโลมปุ ช, ชากายยัทั้งขานของบุคคลใดกำลังเกิดเอจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุ ช, ชา วจีทังขางของบุคคลใดกำลังดับกายสังขางของบุคคลนั้นก il ็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตต์ั้งขางของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตต์ั้งขางของบุคคลใดกำลังดับกายสังขางของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ 129อนุโลมปุชชาวาจีตั้งขางของบุคคลใดกําลังเกิดจิตตั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาจิตตั้งขางของบุคคลใดกําลังดับวจีตั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส1มสิบอนุโลมปุชชา กายสังขานในภูมิใดกำลังเกิดวจีสังขานในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจรารนาในทุติยชานและตะติยชานในชานิกายสังขารกำลังเกิดแต่วจีสังขานไม่ใช่กำลังดับละในมุงเล็บคำนอกจากที่กล่าวเหมือนกับคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดอนุลมุขคโรกาศหนอา อนุโลมปุชชากายตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดละในวงเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันปัจจันีกับบุคคล13ึอนุโลมปุชชากายสังขานของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดประจีตังขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนา ในพังคขณะแห่งวิตตกและวิจาร์กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่วัจจีสังขารมิใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขณาแห่งจิตซึ่งเบ้นจากลมัสสาสะปัสสาสะในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเบ้นจากวิตกแะวิจาร์บุคคลผู้เข้าหนีรอดจะมาบัตดและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอญญาจารย์ยัสตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและวัจจีสังขารก็ไม่ใช่กําลังดับ ปฏิรมปุจชาวจีทั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะในอุปาทขณะแห่งลมัสสาสะปัสสาสะวจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายทั้งขามิใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทขณนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมัสสาปัสสาสะในพังคขะณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกวิจาร บุคคลผู้ก้าวนิโรดสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจญรย์ยัตตพูมิวจีสังขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและกายสังขารก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตแต่ังขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด กายสังขารของบุคคลล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทัคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากโลมอาศะาปัสสะสะบุคคลผู้เข้านิโรธจะมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิกายสังขารของบุคค ล, ลานั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิรมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับ กายตั้งขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิถตชนะในอุปาทขศนาแห่งล ม, มัาสาสะปัดสาสะจิตต่ทั้งขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายตั้งขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งจิตซึงเว้นจากลมมาสาสะปัดสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธจะมาบัตรและบุคคลผู้บัิอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ จิตตตั้งขาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและกายทั้งขานก็ไม่ใช่กำลังเกิด133อมนุโลมปุจฉาวัจีตั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตตั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัตฉนาในพังคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดวัจีตั้งขางของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตั้งขาไม่ใช่ไม่กาลังดับ ในยุปาทขศนาแห่งจิตซึ่งเว้นวิตกระวิจาร์บุคคลผู้เข้านิโรธจมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตตภูมิวจีสังขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตั้งขานก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุชชาจิตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับวจีตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขศนาแห่งวิตตกระวิจาร์ จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วัจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกกแะวิจารณ์บุคคลผู้ข้อวิโรธจะมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาจตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและวัจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีก็โอกาส1 3ึ่ อนุโลมปุชชากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดและปัจจณีกับปุขโลกาตหนึอยาสิบหอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดและใงเรียบคําที่ท่านกําหนดปากของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันในคําที่ท่านกําหนดว่าบุคคลใดในภูมิใด ไม่มีคำว่าบุคคลผู้เข้าหนีโรดสมาบัติ 2. อ, อตีตะวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 136. อนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดเคยเกิดวาจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บพึงขยายอตีตปุจฉาให้พิดารา เหมือนกันทั้งในอุปาทวานนิโรธวานและอุปาทานิโรธวาน 3. อนาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 137. อนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดจะเกิดบัจจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา วจีทั้งขานของบุคคลใดจากดับกายทั้งขานของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปทาทขคณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อบาดอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อบาดอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเราใด จากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกัมมังจุติวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายทั้งขานไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้วจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายทั้งขานก็จะเกิดอนุโลมปุจชากายทั้งขานของบุคคลใดจะเกิดจิตต์ั้งขานของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม วิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุชชาจิตตาังขางของบุคคลใดจากดับกายสังขางของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกบุคคลใน ปรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเราใดจักอุบัติในปรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสั้งขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสั้งขารก็จะเกิดหนึอนุโลมปุจฉาว่จีสั้งขารของบุคคลใดจะเกิด จิตตาั้งขานของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัชณาใช่ปฏิโดมปุชชาจิตตาั้งขานของบุคคลใดจักดับวจีตั้งขานของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชณาในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจาร์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นจิตต่ั้งขาของบุคคลเหล่านั้นจัดดับแต่วัจจีทั้งขาไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตต่ั้งขาของบุคคลเหล่านั้นจัดดับและวัจจีทั้งขาก็จะเกิดอนุโลมโอกาส139อนุโลมปุจฉากายทั้งขาในภูมิใดจะเกิดละอนุโลมปุคโลกาส140อนุโลมปุชฌา กายสังขานของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดวจีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นจะเกิดแต่วจีทั้งขานไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด วัจวจีสั้งขางก็จักดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขางของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายสั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตจของบุคคลผู้บัตด อ, อยู่ในกามาวจรภูรมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตดอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเมืองเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปรารวจรภูมิและอรูปรารวจรภูมิวัจีสังขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายทั้งขาไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิวัจีสั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสั้งขาก็จะเกิดอนุโลมปุจฉา กายทังขางของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจิตต์ั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัตชนะใช่ปฏิโมปุจฉาจิตต์ทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดจกดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนะในอุปาทขนาแห่งปัชิมจิตของบุคคลผู้บติอยู่ในกามาวจรภูมิ ปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวาจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมุเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทชาญและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิจิตต่ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่กายทั้งขานไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าบัรมชาญทุติยชาญตติยชาญ และบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจิตต์ังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและกายทั้งขันก็จะเกิด141อนุโลมปุจฉาว่าจีตั้งขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดจกดับ วจีตั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในมเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชาตตัตยชาตและจตุทชาญจิตแต่ั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นจัดดับแต่วจีตั้งขางไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้เข้าปัธรรมชาตบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิและบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิจิตต่ั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและว่าจีทั้งขาก็จะเกิดปัจจณีกับบุคคล142อนุโลมปุจฉากายทั้งขาของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดว่าจีทั้งขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิจัชนาะในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตดอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจภ ร, จ ร, วจ ภ, รวจภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติ กายสั้งขานของบุคคลล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วัจจีทั้งขานไม่ใช่จกไม่ดับในพังฆาณาแห่งปัจฉิมมจิตที่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นกายทั้งขานของบุคคลล่านั้นไม่ใช่จะเกิดดับวจีทั้งขานก็ไม่ใช่จกดับ ปฏิโรมปุจฉาวาจีตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จากดับและวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉากายตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนา ในอุปาถ้าขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกา마วจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกร บ, บุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติกายสังขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่จิตตตั้งขานไม่ใช่จากไม่ดับในพังคะขณะแห่งปัจฉิมจิตกายตั้งขานของบุคคลเหล่า น, นั้นไม่ใช่จากเกิดและจิตตั้งขานก็ไม่ใช่จากดับปฏิรมปุจฉาจิตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จากดับละบิตัชฉนาใช่143อยสี่มอนุรมุตฉาว่าจีตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหม วิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกหรือวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดหนึ่งเว็บในลำดับแห่งจิตนั้นวจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตั้งขานไม่ใช่จักไม่เกิดในพังขคณาแห่งปัจฉิมจิตวจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตตั้งขานก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชาจิตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ และบิดัชนาะใช่ปัจจณิกโอกาส1่4อนุโลมปุจฉากายทั้งขานในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณิกกับปุขคโลกาตหนึอสี่สอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดวจีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหม วิจัชนาในยุปาทัศนาแห่งปัจจิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจจิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสั้งขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วัจีสั้งขาไม่ใช่จักไม่ดับ ในพังค์ข้าแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกะวิจาร์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกะวิจาร์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกฤวิจาร์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในึ่งเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุติฌานและบุคคลผู้บาดอยู่ในอัญญตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแลววะวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิโลมปุจฉาวัาจีทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญวัาจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในชา น, นั้นไม่ใช่จักดับแต่กายทั้งขางไม่ใช่จักไม่เกิดในพังค ข, ขณาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าใจตุทะชาและบุคคลผู้บัตดอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภ, ภ, ภูมิวจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกดับและกายทั้งขางก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุทธา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 กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั uh ้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคข้าณาแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุชชาจิตตสังขารของบุคคลในภูมิใดไม่ใช่จักดับและพิจาชนาใช่หนึ อนุรมปุจฉาว่าจีทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจิตแต่ทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกระวิจารปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกระวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชา ต, ติยชาตและจตุทชาต วจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตาั้งขาไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาตตะูมิวจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตตาั้งขาก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุชชาจิตตาั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับละวิจัชนาใช่ 4. ปัจจุปนาตีตวัน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลหนึอนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดกําลังเกิดวัจีทั้งขางของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาะใช่ปฏิโดมปุจฉาวัาจีทั้งขางของบุคคลใดเคยดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขศนาแห่งจิตซึต่งเว้นจากลมอัศสาสะปัจสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธจะมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิวัจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่กายตั้งขานไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งลมอัศสาสะปัจสาสะวัจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและกายตั้งขานก็กำลังเกิดในมงเล็บแมในอุปาทนิโรธวานก็พึงขยายคำถาม ปัจจุบันนาตีตะวาลทั้งฝ่ายอนุโลมและปัจจเนกะให้พิจดาเหมือนในอุปปาทวาล 5. ปัจจุบันนานาคตะวาลว่าด้วยสภาวตามที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลหนึอีอนุโลมปุจฉะกายทั้งขานของบุคคลใดกำลังเกิดวดจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาวาจี๋ั้งขานของบุคคลใดจักดับกายทั้งขานของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเป็นจากลมอ า, าสะปัดอาสะบุคคลผู้เข้านิโรตมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอจัญญาจตภูมิว่าจี๋ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายทั้งขานไม่ใช่กําลังเกิด ในอุปาทขณะแห่งลมอสาศสะปัตตาจะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสั้งขารก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสั้งขารของบุคคลใดกําลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจตัญนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับกายสั้งขงารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตัชนาะ ในพัง uh. คัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาสาปัสสะบุคคลผู้เข้าหนโรธตมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาตตภูมิจิตต่ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายทั้งขานไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งลมอาศะปัสสะจิตต่ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายทั้งขานก็กำลังเกิด149 อนุโลมปุจฉ่าว่จีสังขาของบุคคลใดกําลังเกิดจิตแต่ังขาของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวนะมิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉ่าจิตต่ตังขาของบุคคลใดจกดับปัะจีตังขาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตตึงเว้นจากวิตตกระวิจารณ์ บุคคลผู้เข้าในรอดจะมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจาญย์ย ศ, ยศตภูมจิตต์ั้งขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่วัจจีตั้งขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทะขนาดแห่งวิตกระวิจารจิตตั้งขารของบุคคลเหล่านั้นแจกดับและวัจจีตั้งขานก็กำลังเกิดอนุลมโอกาสหน0รอนุลมปุชชากายสังขารในภูมิใดกำลังเกิดและ อนุโลมปุขละกัดหนึอาสิบเอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดวั จ, จีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจตชนาะในอุ ป, ปาทาัศนาแห่งลงมภาษาศาสตรปป์ภาษาตรรกของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตะติยชากายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่วั จ, จีทั้งขานไม่ใช่จักดับ ในอุปาถกขณะแห่งลมอาศะปัสสะตะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและวัจีสังขารก็จักดับปฏิโลมปุจฉาวัจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตนะัญา ในพังคขณะแห่งลมอาศะปัตตาสะของบุคคลผู้เข้าบัตมะฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาทขศนาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นตึงเบนจากโลมอาศะปัตตาสะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวัจีสังขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสั้งขาไม่ใช่กำลังเกิด ในอุปาถ้าขณะแห่งล ม, มัอาศสสะปัดอาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานแต่บุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขานก็กำลังเกิดอนุลมปุจฉากายสังขานของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจิตต์ทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา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 จิตต่ั้งขาของบุคคลเลนั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขาก็กําลังเกิด152อนุโลมปุจฉาว่าจีทั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจิตต่ั้งขาของบุคคลนั้นในภู่ินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจารนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตแต่ั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ วัจีทั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาในพังคขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาทัศนาแห่งจิตตึงเว้นจากวิตตกละวิจารณ์จิตต่ั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่วัจีทั้งขาไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งวิตตกละวิจารณ์จิตต่ั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่วจจีทั้งขา<น>ก็กําลังเกิด ปัจณิกระ บ, บุคคล153อนุโลมปุจฉากายทังขางของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดวดจีทังขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคั้งขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทั้งขณะแห่งจิตซึต่งเว้นจากโลมอาส า, าปัสสะสะบุคคลผู้เข้าในโรดจะมาบัตดและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาตตภูมิ กายทังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วัจีทั้งขาดไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกกระวิจจานบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจจานปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจจานจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขาดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวัตจีทั้งขาดก็ไม่ใช่จักดับ ปฏโรมปุชฌาว จ, จีทั้งขาของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายทั้งขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌากายทั้งขาของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตต์ั้งขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในปารทัศนาแห่งจิตซึ่งเบ้นจากลมอส า, าสะปัตถาสะ บุคคลผู้เข้าวีโรธจมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตภูมิกายทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตแต่ทั้งขาไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัฏิมจิตกายตั้งขาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตแตั้งขาก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉาจิตแตั้งขาของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายตั้งขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่154อนุโลมปุจ ช, ชา้าวัจจีตังขางของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตต์ั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทฆะขณะแห่งจิตตึงเว้นจากวิตตกะวิจารนับุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาตตะูมวัจจีตั้งขางของบุคคล เหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จิตตะทั้งขาไม่ใช่จักไม่ดับในพังข้ขนาแห่งปัจฉิมจิตประจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจิตตะทั้งขาก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชาจิตตะทั้งขาของบุคคลใดไม่ใช่จักดับประจีทั้งขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกโอกาส 155อนุโลมปุชชากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละปัจจณีกับุคคโลกาศหนอสิบอนุโลมปุชชากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดวจีสังขารของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัตชนา ในพังขาขณาแห่งล ม, มัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาทขณาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากล ม, มัสสาสะปัสสาสะบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วัจีสังขารไม่ใช่จากไม่ดับ ในพังคขณาแห่งปัจจิมจิตที่มี ท, ทั like ้งมิตกละวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกละวิจารณ์ปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกละวิจาร์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นในพังคขณาแห่งลมัสสาสปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตในอุปาทขณาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเ้นจากลมัสสาสะปัสสาสะ บุคคลผู้เข้าจะตุจชาน์และบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญตัตภูมิกายสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวัจีตั้งขานก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุจฉาวัาจีตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาะในอุ ป, ปาทัศนาแห่งลงมัอาศาปปะปัสาตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาณตะติยชาณ วจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในปุ land, ่มนั้นไม่ใช่จักดับแต่กายทั้งขาไม่ใช่กําลังเกิดในพังคข้าคณาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นในพังคข้าคณาแห่งลมอาศะปัตตาจะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญ น า, นายุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมัอาศะปัาส ะ, สาสะบุคคลผู้เข้าจะตุตะชาลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญา ต, ตภูมิวจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายทั้งขางก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตต่ังขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะ ในพังข้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาขขณะแห่งจิตตึงเว้นจากโลมอาสะปัดอาสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตแต่สังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังข้าขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรสัญญสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตแต่สังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชา จิตแตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่157อนุโลมปุจฉ้าว่จีตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนา ในพังคขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาทขณาแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกกวิจารวจีสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จิตต์ั้งขามิใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บัติอยู่ในอัญญตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจิตตังขาก็ไม่ใช่จากดับปฏิโดมปุชชา จิตแต่สังขารของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ 6. อตีตานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 15.8 ออนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม วิจัชนาในพังคขนาแห่งปัจจิมจิตที mm ่ม hmm. ีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในบุญเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วัจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและวัจจีสังขารก็จักดับ ปฏิโรมปุชชาวจีสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชากายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพันคขณะแห่งปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลล่านั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ กายทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตตั้งขางก็จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตตั้งขางของบุคคลใดจักดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ในวงเล็บปุจฉาที่เป็นอดีตกับอนาคตทั้งอนุโลมและปัจจณิกะในนิโรธวานท่านจนําแนกไว้โดยประการใดผู้มีปัญญาก็บึงขยายปุจฉาที่เป็นอดีตกับอนาคต ทั้งอนุโลมและปัจจนีกะแมในอุปาธนิโรธวานให้พิจานโดยประการนั้นในนิโรธวานก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อแตกต่างกันอุปาธนิโรธวานจบประวัติวานจบสามปริญญาวานหนึ่งร้อยห้าบก้าอนุโลมปุจ ช, ชาบุคคลใดกำลังกำลนด รู้กายสังขารบุคคล น, นั้นก็กําลังกําหนดรู้วจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้วจีสังขารบุคคล น, นั้นก็กําลังกําหนดรู้กายสังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บพึงจําแนกปริญญาวานแม้ในสังขารยามกให้พิจารณาเหมือนในขันทายามก ปริญญาวานจบสังขารยมกจบ